สภาน่วยรับงานปกครองท้องถิ่นเพื่อสังคมประชาทั้งสิ้นเพื่อท้องถิ่นจรเินก้าไกลาชายิเนเรื่องให้ประเทืองและง า, ามในใจอาณาไมยพระปานาไปขอตั้งใจอาจตาเทศสภาน่วยรับงานมากมายหลาด้านเจ็บหรือตายหุนไหวยายบ้านเทศสภาลต้องรับแจ้งมาเป่าธรรมดที่ทำงานพราะไปทุกเดเพื่อนัพรนิวัฒนพนาเป็นวัน เทศบาลคือบันไดของการปกครองตามกลองแห่งชีวิตความที่มีประชาธิปไตยอมฝันพลห้จ้ปงใจด้วยการรักใกันไปเหนือไหนไม่สำคัญมีของเราดูแลความสิ้นรวมรับงานปกครองท้องถิ่นทางกานสุขสันต์ทั่วกันเทศบาลก็คือเรา เหตุสำคัญเหตุสบานนี้จึงสำคัญร่วมประสานคอยร่วมมือ สภาน่วยรับงานปกครองท้องถิ่นเพื่อสังคมประชาทั้งสิ้นเพื่อท้องถิ่นจรเดินเข้าไปาชาติพันธุ์เรื่องให้ประเทืองและงามไม่เลยอาณ า, ม า, ะะาม ไ, ไม่พระปานางไปขอตั้งใจอาตาเทศสภาน้วยรับงานมากมายไร้ด้านเจ็บหรือตายหุ่นไว้ ย, ย้ายบ้านเทศสภาลต้องรับแจ้งมาเป้าธรรมดา ท, าาทีทำ ง, งานพรอะไปทุกระเพื่อนครนิวัฒ น, นาเป็นคนตา เทศบาลคือบันไดของการปกครองตามกลองแห่งชีวตความที่มีประชาธิปไตยเนคนละมัให้จำปังใจด้วยการรับใช้กันไปใน่ไหนไม่สำคัญมีผู้แทนเขตของเราดูแลความสิ้นรวมรับงานปกครองท้องถิ่นทั้งคันสุขสันต์ทั่วกัเทศบาลก็คือเราน่ช่วยสัเทศบาลน างานประเทศศิลาอาธิาาตรักษารถติเมืองพระศรีพนมมาศแหล่งไม่กว่าตองกงโดยหอมแดงเรื่องชื่อนามระบืตตำนานเมืองแม่ไม้วิสัยทัศน์ของเทศบาล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 สิคิดว่าเป็นฝันร้ายเขาเมื่อแล้วมันต้องผ่านไปเพราะว่าหักมันไปบ่ได้สุดท้ายก็ต้องจบบุญที่ห่วมกันมาแต่ศาสตร์ก่อนแค่มาพบกเกษียเแล้วตายต้องสละคทำวาดตลอดไปอ้ายยศ ให้จำอาอในน้ำผู้มาส่งทางได้มาสู่เคียงข้างเพียงแค่พันสิบว่าคือตอไปหลายกว่านั้นให้เจ้าพอทางหมหักเพิ่งสาเดินานางมือนีเบิดหน้าที่ของอายส่งทางอย่างใหม่กับคนใหม่ Moment I. ที่ห่วมกันมาแต่ศาก่อนแค่มาพบกัเสียเจ้าตายต้องสละคำว่าตลอดไปไอยอมให้จำอาอในน้ำผู้มาส่งทางได้มาสู้เคียงข้างเพียงชั่วคราวสิวอคือตอบไปหลายกว่านั้น ให้เจ้าพ่อทางใหม่หักเพิงสาเดนาเมื่อนีเบ็ดนาทีความอายทรงทางอย่างใหม่กับคนใหม่ที่บ่มันอายให้จำอายในน้าผู้มาส่งทางได้มาสู่เคียขงข้าง ัท่วคราสิ่บอกคือตอไปหลางกนั้นให้เจ้าพ่อทำใหม่หักเพินสาเดินน้มือนีเบิดนาทีของอายส่งทางย่างใหม่กับคนมัน Moment I. Ah, ah, ah, ah. สวัสดีครับคุณผู้ฟังทั้งลมทั้งฝนครับแต่ลมนี่จัดหนักเลยทีเดียวคุณผู้ฟังก็ยังมีอยู่ครับยังมีเรื่องของฝนอยู่นะครับแต่ตามที่เขาคาดการไว้ว่าปลายเดือนตุลาคมนี้จะเข้าสู่ฤดูหนาวก็น่าจะเป็นปลายฝนต้นหนาวแล้วคุณผู้ฟังคงเป็นช่วงท้ายๆไปปลายแล้วแล้วครับ ก็ยังยังต้องอยังต้องติดตามในเรื่องของฝนของฟ้านะครับเพียงแต่ว่าสถานการณ์ต่างๆนี้ก็คงจะเบาไปเยอะแล้วคุณผู้ฟังเพียงแต่ว่าจังหวัดที่อยู่แถวๆภาคกลางลงไปแล้วครับที่ต้องรับน้ําจากทางเหนือในหลายๆสายอันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังกันเยอะทีเดียวครับต้องเฝ้าระวังกันเยอะทีเดียวในเรื่องของ การจัดการน้ําต่างๆเพระาะน้ําจากทางเหนือในหลายๆสายครับทางสุโขทัยอันนี้ก็ปริมปริมแล้วคุณผู้ฟังอย่างของทางบ้านเรานี่อันนี้ทางเขื่อนนี้ไม่น่าจะมีปัญหาทางน้ำหนานทางชิงมงชิงใหม่เนี้ยคุณผู้ฟังก็ยังมีเรื่องของน้ําเข้าพื้นที่ต่างๆอยู่นะครับก็จะคงไหลกันมาอยุบขากกลางแล้วคุณผู้ฟัง ก็ต้องเอาใจช่วยกับพี่น้องคนไทยครับให้ผ่านพ้นในเรื่องของฤดูฝนนี้ครับในส่วนของทางบ้านเรานั้นแน่นอนครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ก็ถแถลงนะครับนโยบาย31ข้อที่จะดูแลจะนำพาคนอุตรดิตให้มีการพัฒนายิ่งยิ่งขึ้นไปก็มีทั้งสิ้น31ข้อครับซึ่ง เราลับแลก็อยู่ในนั้นด้วยก็จะเป็นหนึ่งในเรื่องของการขับเคลื่อนของทางจังหวัดด้วยเช่นกันก็ต้องรอดูกิจกรรมรอดูนโยบายหลายๆอย่างต่อไปนะครับ เฮาฮักกันมันบ่มันผูน้แกนแล้วบ่บ่คือเมื่อแรกนะตอนที่ไอามาขอให้น้องเป็นผู้สาวคำว่าคิดทอดกันกะบ่พิมพ์ทรงมาคือเกาอ่าเมื่อป่ยาเมื่อแรงไว้่วยาเมื่อเศร้ากะบ่เยถามกันบ่ไลยไปฟอนายกะบ่ทัก แค่ตอบยัอ่านกันนานอ่านบอหักกันแล้วติคือเป็นแนวนั้นเว่ามาเบังแม่นาพันได้ยิมานุหัวใจผ่านเก็บใรน้ำหน้าเซเว่นไอจังบอฟังบอแยงบอเห็นสุมือ ส่วนเที่ยววีเขาเธอผ่านได้เหียเมื่อนุ่งความหักฟัวหัวจากจากน้อยติว่าคนเป็นแฟนอายเขาของเขาเ่อจางฟัวหัวสะผ่านได้เฮียมาอยากกินมูกกะทะสิ้นเดือนมากแต่ทงอยากขับมี่เทวว่าเบาบาง งเที่วว่าอายงจากมันเงาอย่างนองบอคือน้องนีนองคืดนาอายหลายหูบอใสก็เดียวกระโดดสีห้ตายก้อนพูนบอกจังสีเคทอดกันบไลไปสอนอ่าจะบอทักแชดจะตอบเงาอ่านจะนานอาโันไปเหนเอาที่้นเป็นเนื้อน้าวามาบ เมาดีกไปกีให้ให้นอนห้องให้ไปอีกกีคนคนบมีหัวใจเมาให้ตายเจ้ากบ็บรรลตอนชีวิตกว่มมคืนแห่งความเงา เป็นโรคซึมเราขาดเหล่าแล้วมันสิเงาเงแล้วเดี๋ยวมันสิเศร้า ส, สาเหตุกับเป็นยอ่ออ่อนใจเอาหัวใจอ้ายไปย้ำยีเป็นโรคซึมเราอาการบอกค่อยสู้ดีบอกมีหอดสมาทิที่หายใจให้มองคืนนี้ขันบอมีดีคลีคงติดตายไปแล้ว อ้าว เมาดีกลไปอีกกี่ให้สให้นอนห้องให้ไปอีกกี่นคนบมีหัวใจเมาให้ตายเจ้าก็บรตนชีวิตัวสี่มคืนห้า เราเามันสิเงาเงาแล้วเดี๋ยวมันสิเศร้าสาเหตุก็เป็นยอ้อนใจเอาหัวใจอ้ายไปย้ำยีเป็นโรคซึมเล่าอาการบ่ค่อยสู้ดีบ่มีหอดสมาธิสิหายใจให้มุมเืนนี่ บ่มีดีเกลีจยจนไอเป็นโรคซึมเหล่าขาดเหล่าเรามันที่เงาเงาเหเดียวมันสิเศร้าเหตุกับเป็นยาดอ่อนจใจเอาหัวใจอ้ายไปยำยีเป็นโรคซึมเหล่าอาการบ่ค่อยสู้ดีบ่มีหอดสมาธิที่หายใจให้มองขึนนี้ ลอมดีคลีคงติตายไปแล้วบอกย้อนอายเมาดีคลีก็เลยกลายเป็นโรคซึมเหลา สาระน่ารู้วันนี้คุณผู้ฟังผมหยิบเอาอันนี้ครับถั่วแระญี่ปุ่นมีประโยชน์ยังไงคุณผู้ฟังหลายท่านคงเคยเห็นครับตามตลาดนัดต่างๆครับเป็นถั่วเขียวๆหน้าตาเหมือนถั่วถั่วบ้านเราแต่ของบ้านเราจะออกเหลืองอันนี้จะออกเขียวๆคุณผู้ฟังก็เป็นถั่วไร้ญี่ปุ่นครับถุงนึงก็20บาท ราคาก็ค่อนข้างถูกครับลองมาดูว่ามันมีประโยชนอ์อะไรยังไงบ้างหูนู้ฟังอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุมากมายครับประโยชน์ข้อแรกก็คงจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ครับเพราะว่ารับประทานถั่วแระ1ถ้วยตวงหรือประมาณ160กรัมร่างกายจะได้รับวิตามิน K ประมาณ 56% เของปริมาณที่ร่างกาย ควรได้รับต่อวันนอกจากนี้จะได้พอตโฟเลตมากกว่า100เอร์เซ็นต์ของปริมาณที่ร่างกายควรได้รับต่อวันด้วยโปรโตีนสูงรับถั่วไร ญ, ญี่ปุ่นถือว่าเป็นโปรโตีนพืชที่ดีชนิดหนึ่งเพราะนอกจากจะเป็นแหล่งของโปรโตีนธรรมชาติแล้วในถั่วไร ญ, ญี่ปุ่นยังมีกรดอะมิโนที่จําเป็นต่อร่างกายมีสารต้านอนุมูลอิสระต่างๆและแน่นอนว่ามีไฟเบอร์ด้วยครับ ดังนั้นใครที่กินมังสวิวรัตกินเจหรือชื่นชอบอันนี้ก็ได้รับประโยชน์เต็มๆลดคอเลสเตอรอลในเลือดครับจากการศึกษาเชิงสังเกตในหลายๆงานวิจัยพบว่าไขามันดีสารต้านอนุมูลอิสระและไฟเบอร์ที่มีอยู่ในถั่วแระญี่ปุ่นมีส่วนช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลที่เป็นปัจจัยเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจ นอกจากนี้ก็ยังมีงานวิจัยพบว่าการรับประทานโปรโตีนจากถั่ววันละ25กรัมมีส่วนช่วยลดไขมันเลวในร่างกายราวๆ3าเปเซโดยประมาณจึงเป็นการสนับสนุนประโยชน์ด้านลดไขมันในเลือดของถั่วแระได้ทางหนึ่งด้วยช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดครับถั่วแระญี่ปุ่นเป็นพืชที่มีค่าดัชนีน้าตาลต่าด้วยความที่มีคาร์โบไฮเดรตต่าอีกทั้งปริมาณน้าตาลก็ไม่ได้มากนัก กินแล้วจึงไม่ได้เพิ่มระดับน้าตาลในเลือดก็ยังช่วยคงสมดุลระดับน้าตาลในเลือดไม่ให้สวิงได้ด้วยช่วยลดอาการไวทองรับถั่วไรยุปุนมีสารที่ทำหน้าที่คล้ายกับฮอร์โมนเพศหญิงซึ่งก็จะช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลฮอร์โมนกับช่วยลดอาการหลังวัยหมดประจาเดือนเช่นอาการร้อนวูบวาบ อารมณ์แปลปรวนและเหงื่อออกตอนกลางคืนได้แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคนด้วยครับบางคนอาจกินเข้าไปแล้วดีขึ้นแต่บางคนก็อาจไม่ค่อยเห็นผลมากนักลดการสูญเสียมวลกระดูกครับสารในโทเรย์ญี่ปุ่นช่วยลดการสูญเสียมวลกระดูกและช่วยลดความเสี่ยงของโรคกระดูกพุนในสตรีวัยหมดประจําเดือนรวมไปถึงในผู้สูงอายุได้ครับแต่ว่าต้องเริ่มให้ร่างกายได้รับสารนี้ ตั้งแต่เนิ่นๆครับประมาณช่วงวัยทางานไม่เกินวัยกลางคนจะดีมากชะลอความเสื่อมของสมองครับมีการศึกษาพบว่าการบริโภคโทเรย์ญี่ปุ่นมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงภาวะการทางานของสมองถอยเสื่อมสมองเสื่อมถอยอีกทั้งงานวิจัยที่ผ่านมาก็ยังระบุ ข, ข้อมูลไว้ว่าการรักษาผู้ป่วยด้วยโทเรย์ญี่ปุ่นครับมีส่วนช่วยพัฒนาทักษะด้านความคิด การเรียนรู้และจดจำครับทั้งในแง่ความเข้าใจการแสดงท่าทางหลายอย่างครับอาจช่วยลดความเสี่ยงมะเร็งเต้านมครับมีการศึกษาเชิงสังเกตที่พบว่าในกลุ่มสตรีชาวเอเชียโดยเฉพาะหญิงชาวญี่ปุ่นที่มีอัตราการบริโภคถั่วแดงญี่ปุ่นรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ถั่วในรูปแบบต่างๆบ่อยกว่าหญิงชาวยุโรป มีสถิติการเป็นมะเร็งต่ำกว่าโดยสันนิษฐานว่าสารในถั่วแระอาจเป็นปัจจัยที่ช่วยลดความเสี่ยงนี้ได้ครับแต่ก็ยอยู่ในช่วงของการศึกษาอย่างเป็นทางการอีกหลายๆตัวอย่างนะครับก็เป็นเรื่องราวครับประโยชน์นะครับของถั่วแระญี่ปุ่นแต่ก็ยังมีโทษอยู่เหมือนกันนะครับ แม้ ว, ว่าประโยชน์จะค่อนข้างเยอะแต่ทั้งนี้ผู้ที่แพ้ถัว่วป่วยโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ผู้ที่เป็นโรคกรดไหลย้อนรวมไปถึงผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับลอดอาหารควรระมัดระวังการรับประทานถั่วแระ ญ, ญี่ปุ่นมากเป็นพิเศษโดยไม่ควรรับประทานในปริมาณมากๆเพราะทำให้ท้องอืดมีกดแก๊สแสกเพาะมากเกินไปหรือในคนที่เป็นภูมิแพ้ก็ต้องระวังการรับประทานถั่วแร ญ, ญี่ปุ่นด้วยโดยเฉพาะ คนเล็กๆบนเปลือกถั่วแระญี่ปุ่นก็อาจเป็นปัจจัยกระตุ้นการระคายเครืองได้นั่นเองครับก็เป็นสาระน่ารู้เกี่ยวกับถั่วแระญี่ปุ่นครับที่หยิบ ม, มาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้ครับ ผาวอันนี้สร้างนิสัยบอดีถนอมโอ้ยเนาะบอเขียงใจผู้บ่าวแน่เสียงตาน้อยทรงยิ้มให้คอยเสยแหมระวังไว้แน่ผู้บ่าวเจ้าหูสีดูบบจือคอยก็นั่งรินดีกรีฟีสไตล์ห้ามแจเบาให้เคลิ้มไปกับเธอแต่ว่าพินโมเมนของคอยอิลี่เราเด้อสุด ใแฟนของเธอมาเจอเลยสวย่คยบอกเขียวเดอ้อบอกเคยเจอผู้สาวเจ้ามาก่อนบรรยากาศดีเลยออกมาทอนกาว่าเมาสิเมื่อนอนบอได้อยากมีเรื่องเด้อครับแค่ออกมาทอนเกือบไปนอนร้านเรา ออกมาจ้บเบาเกลือดได้เขาโรงบาลย้ Nh อนผู้สาวเสือเขาเขาจิ้มให้ผู้บ่าวจับได้่ข่ก็ไวตัวทันตั้งใจว่าสเมกละโดกเล้าเพียวเพียวเกือบเธอสายเดียวไข่และเสียวสันหลังจังแม่นฝนเป็นตะงสั่งเทนอต้องลาอยาให้เจ้าเศร้า อย่าไปเฮ็ดกับคนอื่น ยเดิ้ลบอกเคยเจอบุสามเจ้าเมื่อก่อนบรรยากาศดีเลยออกมาทอนากาว่าเมาสิเมื่อนอนพอได้อยากมีเรื่องเจอาครับแค่ออกมาทอนเกือบได้นอนร้านเราออกมันจิบเบาเกือบได้เขารุงบ้านย้อนบุสาวเสือเขาเขายิ้ม ผู้เบาจับได้ไข่ก็ไวตู้ทันตั้งใจว่าสเมาปลาโดกเล่าเพียวเพียวเกือบถึกใสเดียวไข่ละเสียวสันหลังจังแม่นฝนเป็นตาสังแนเนอนนอหนงลายอยากให้เจ้าเศร้าใ า, สาแค่ออกมาทอนเกือบในอนร้านเล่าออกมาจิบเบาเกือบในเขาโรงบ้าน ย้อนผู้สาวเสือเขาวของยิ้มให้ผู้บ่าวจับได้่อยก็ไวตัวทันตั้งใจว่าสีเมากระดกเหล่าเพียวเพียวเกือบถึกใสเดียวไข่ยละเสียวสันหลังจังแมนเพิ่นเป็นตาสังเทนโอ้องลาอยากให้เจ้าเศร้าสาอย่าไปเฮ็ดกับคนอื่น พาเขามาบุกรุกพื้นที่โดยบอย่า น, น้องขาดใจบอกคิดว่าไอา้สิเหตุกันป่านนี้จากสิทนย่ำยีได้ดนซ้ำได้พ่ อ, อยักหมุดดินแกนนี่คนใจร้ายจังสูหมูเจ้าจากเว่นเว่นเว่นกรรมอียัง อใส่อยู่บ่อเศาน้ำตากะไลทั้งให้ทั้งวาวจังมันเป็นตาเลือใจขอให้ซุ่มมู่เจ้าอยู่แดงมีแสดงความยินดีเป็นเถ่อสุดข่ายแม่นองสิเกียรขี้ดินให้กลั้นปานใดไอ้คงบ่กลับมาแล้วขอให้ซมู่เจ้าได้เป็น รสีสวงมือใดเปิดโตเขาให้เขาสบายใจกะสําค้าน้องทางเป็นจนับมันเว้นมันกำเอียงเที่ยวลังมาทางเ อ, อก้อสายอยู่บ่เบ า, าน้ําตากระไหล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 คุณผู้ฟังค่าคืนนี้จะเป็นสวดพระวิธรมค่าคืนสุดท้ายนะครับงานของคุณพ่อรานศรีมงคลครับที่สารากา ร, รเรียนของวัดเสาหินและจะมีพิธีชวน ก, กิจวันพรุ่งนี้เวลาบ่ายสามโดยประมาณที่เมนของวัดเสาหินเช่นกันครับก็ขอเรียนเชิญคนรู้จักมักคุณคนรักใคร่นับถือกับคุณพ่อรานศรีมงคลไปร่วมฟังสวดพระวิษณ์ค่าคืนนี้คือสุดท้าย ที่สาลากา ร, ปรเปลี่ยนของวัดเสาหินและร่วมงานชาพนกิจวันพรุ่งนี้เวลาบ่ายสามโดยประมาณที่เมนของวัดเสาหินด้วยนะครับ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 ฉันมีอะไรให้เธอมากมายหัวใจของเธอฉันเก็บรักสามันเอาไว้หมดทั้งชีวิตและหัวใจฉันยอมเธอไว้เธอ ฉันเก็บรักษามันเอาไว้หมดทั้งชีวิตและหัวใจฉันยอมว คือจึงเกวียนบ่มีไม่คำนางาลงใส่ขี้ดินคือจึงนกตายโต๊กย้อนฝาปีนแค่ได้ยินคำว่าบ่ได้หักกันแล้วเฮาบ่สมกันแล้วมีแต่แนวเม้นกุยไปนาะกักขังมานอไว้โดนเติบว่าสันว่าบอสิมา ว, ว่านกเจ้าสิบินเจเจิดนี้หักเฮานี่อยู่คนละกฝายที่ข้าอกป่าบ่าใบบอกควรคู่รถจนาานองใจประสงค์ห้างกลางบ้านก็ว่าดกคนใจฟงปลิวหายไปตาม้อง ความทักที่เคยได้จากน้องดินไปคือนองเจ้านา้ำใ่ใบบอนอยังแน่นอนกว่าใจเจ้าผิดที่เฮานั้นคิดไปไกลปวดเป็นพญาตาสองมองไกลว่าสิใดเป็นคู่มันมา แต่นกเจ้าบินเจเจิดนี้หักงเฮานี่อยู่คนละกำฝายที่ทางออกป่าบ่าใบบอกควรคู่รจนหน้านองใจประสงค์ห่างกลางบ้านก็ว่าดงข้นใจฟงปลิวหายตาบ้องความทักที่เคยได้จากน้องบินไปคือนก เฮานี่อยู่คนละกำไฟขีข่ข่างอปาบ้าใบบอกควรคู่รถจะ น, น้านองใจประสงค์ห่างกลางบ้านก็ว่าดมคนใจฟุ้งปลิวหายไปตามบองความหักที่เคยได้จากน้องบินไปคือนกเจเา บินเจอเจอดนี้ฮักเฮานี่อยู่คนละกำปายที่ขางอป่ามาใบบอกควรคู่รถจะหน้านองใจประสงค์ห่างกลางบ้านก็ว่าดงค้นใจฟงปลิวหายไปตามองความฮักที่เคยได้จ๊ะ ครับก็อยากจะประชาะสัมพันธ์ครับในเรื่องของกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชนนะครับซึ่งก็รับสมัครครับเด็กเยาวชนนะครับอายุระหว่าง12ถึง19ปีครับในเขตเทศบาลครับที่สนใจครับ อ, อยากจะร่วมกิจกรรมแอดเวนเจอร์ก็เรียนเชิญนะครับก็เป็นเวลา สวัน1คืนครับวันที่17กับ18ตุลาคมครับที่ขุนฝางสวนม้าโฮมสเตย์ครับกิจกรรมแน่นอนครับขุนฝางสวนม้าโฮมสเตย์มีกิจกรรมแอนฟเวนเจอร์หลากหลายครับขี่ม้ายิงธ น, นูมีหลากหลายครับในเรื่องของการผจญภัยการใช้ทักษะเรียนรู้ต่างๆนอกห้องเรียนนะครับซึ่ง น้องๆที่จะเข้าร่วมครับก็เข้าร่วมแค่มาแจ้งความประสงค์จะเข้าร่วมก็ฟรีครับไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆพร้อมกับมีเสื้อให้อีก1ตัวครับสนใจครับหรืออยากจะร่วมก็สามารถที่จะแจ้งความประสงค์ได้ครับที่กองการศึกษาของทางเทศบาลครับหรือส่งข้อความมาที่เพจ เฟซบุ๊กงานประชาสำคัญเทศบาลตำบลศรีพนมบ่านนะครับกอแจ้งสอบถามรายละเอียดเปอร์ทงเบอร์โทรก็จะได้รวบรวมจํานวนเพื่อที่จะจัดทาเสื้อให้ถูกต้องนะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆครับที่อยากจะมอบให้กับน้องๆเยาวชนในเขตเทศบาลถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะทุกคนแครับสนใจก็มาได้ครับ1718 ตุลาคมนี้นะครับสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับที่กองการศึกษาในช่วงวันเวลาราชการหรือส่งข้อความมาในเพจ Facebook, เฟ e บุ o k เทศงานประชาสัมพันธ์เทศบาลตะบนศรีพนมมาตนะครับ แค่ได้เจอก็รู้สึกรักรักเธอหมดใจเห็นสายตาที่เธอมองฉันก็รู้ว่าเป็นฉช่นไรเธอต้องฟื้นหัวใจแค่ไหนตอนอยู่กับฉันทั้งที่รู้ว่าเขาไม่รักเธกใจก็ทําไม่ไหว อยากแค่ไหนฉันหวังให้เธอรักกันได้สักวันใช้เวลาแน่นหลายปีก็ไม่มีวิ่แวววันนั้นปากเลอะปลายเป็นคิดนี้กันแค่ไม่ทันเตรียมใจโอ้ขาสถทานหัวใจเลอะล้านมาเมื่อทอสน่ห 再次太遥远。 รเรวตัตยาฟาหัวอดใจญาปไหสองเฮาก่าพพาลาคเอยแม่น้องบอมาอ้ายเลิโดนกามีน้องอยู่เคียงข้างมันสิวัยวัน พอยึงสองเอาต่างกันสายเดินปันลูกไ อ, อ้ยัดถอยสู้ไปไอ้สุดน้องสิคอยอยู่สงเอนใจไอ้บ่สู้เขาคนที่แม่เตาไม่ตาหาว่าแต่สร้างแม่โอ้ไอ้แค่ทำไมกระน้องมีใจไ้อ่ะ เชี่ยวโบราณาอยาวเรือคว้าน้องสิพาห่อยเรียบปับบอบอาเภสย่างยังบกเยียวแม่เจ้าไลายห้าินีสิหอผาตามสุดฟ้าเข่าเกี้ยวไอสิไปฟมองคนบกเยี่ยวอยู่เลืบใดสิซอกคา ลีลาวดีเจ้าคือหัวใจแต่ผมหักใจบ่สมเจ้าดอกนลอมีแต่สิไปให่แพรวัดบิดใจบาดหักเล็เแ้าเป็นบ่หัก บ, บิดใจบ่มียังพอมืออบบอกพอสุดเป็นคู่เจ้า จ้ากับขี้นกเจ้าน่ะล่ะไปอยู่แก้มือหงบอดอคนเดีนม่นนกเปนหงบอกกันตรงตรงโลดทะบิดห้ากันนันล้อยนมเือใอยากกรอหอมดังๆจากป่าคนเดีบอกไปเฮ้ยขึ้นมลองสู่เพอนองเบืองแน่น้ำเชี่ยวโบราณว่าอย่าเอาเรือฟ้า สิไปลายเอมองคนบอดเดียวอยู่เลือบใดสิสซอบขาจนท้อํำแพงจนฉันกันพักสงหอดเอาเด้อมีลาวดีเต้าคือหัวใจแต่บุญหักไอบ่อสมเท่าโตดอกกมีแต่สิ่ปาย กเบิดใจบ่ม <Trustee> ีองทองมุ <ást> ่งอาบ่พอสิได้เป็นโค้เจ้า ดูกันที่พยากรณ์อากาศครับภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรชบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาครับก็เป็นพยากรณ์อากาศถึง17นาิกาวันรุ่งนี้ครับ เวลา18นาฬิกา ครับคุณผู้ฟังกำหนดเวลาขอรายการเสียงตามสายงานประชาสัมพันธ์ของทางเทศบาลตำบลศรีพฤฒบ้านเมืองรัปล์แ ล, แล้วนะครับยฝากไว้ด้วยนะครับค่ําคืนนี้จะเป็นสวดพระพิธีรรมค่ําคืนสุดท้ายครับงานของคุณพ่อรานศรีมงคลนะครับและจะมีพิธีชพร ก, กิจวันพรุ่งนี้เวลาบ่ายสามโดยประมาณที่เมนของวัดเสาหินครับก็ขอเรียนเชิญคนรู้จักมักคุ้นคนรักใคร่นับถือกับคุณพ่อรานศรีมงคล